ทำความเข้าใจเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าคนไม่รู้เรื่องก็หาว่าหลวงพ่อเนี่ยอะไรพูดแวกแนวอะไรต่ออะไรว่ากันไปเขาทั้งหลายว่าสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้ในประเทศไทยมีหลวงพ่อองค์เดียวยืนยันว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขณะที่จิตอยู่ในสมาธิขั้นสมถะ และพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นโลกะวิถูรู้แจ้งโลกปุเพนิวาสานุสติยานจตุปปตาตยานอาสวะขยะยานพระองค์ตรัสรู้ในขณะจิตเดียวตั้งแต่หัวคำ่ำทีนี้เมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วจิตของพระองค์จึงปฏิวัติไปพิจารณาทบทวนเรื่องการระลึกชาติหนหลังได้จบลงในปฐมมยาม พิจารณาทบทวนเรื่องความแตกต่างของสัตว์ทั้งหลายการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายมีภพภูมิต่างกันตามกฎของกรรมจบลงในมัชิมะยามแล้วก็พิจารณาอาสวะกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ ท, ทากรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงจบลงในปัจฉิมยามช่วงนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาพอเจริญวิปัสสนาจบ จิตยอมรับสภาพความจริงอรหัตตมกขยานบังเกิดขึ้นตัดกิเลสอสวะขาดสะบั้นไปในปัจฉิมยามจึงได้พระนามว่าอารหังสัมมาสัมพุทโทภพัควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตรัสรู้ตั้งแต่หัวค่ำ เป็นอารหันเมื่อจวนสว่างนักศึกษาธรรมะทั้งหลายนี้เข้าใจว่าพอตรัสรู้แล้วก็เป็นพระอารหันเลยไม่ถูกต้องและอีกอันหนึ่งที่พุทธประวัติเขียนไว้ว่าพระพุทธเจ้าเข้าสมาธิทำจิตให้บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วน้อมไปพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณมันผิดทั้งเพจิตอยู่ในสมาธิเนี่ยไม่มีใครจะน้อมไปทาอะไรได้นอกจากจิตจะปฏิวัติตัวเอง ขืนน้อมสิสมาธิมันก็ถอน